อยู่เพื่อเผชิญกับเหตุการณ์อันร้ายกาสารพัด ส, สิ่งจะชนะหรือปราชัยกับมันก็ด้วยกําลังใจเข้มแข็งหรือทอ้ทอถอยทอดอะไรนี่แหละก่อนออกเดินทางมาด้วยกันคุณหญิงให้คํามั่นสัญญากับผมแล้วว่าจะเข้มแข็งกล้าเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ามันจะเลวร้ายสักแค่ไหนและตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณหญิงก็ปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดน่าสรนเริญที่สุดจนผมอดที่จะยกย่องบูชาน้ําใจซะไม่ได้มาคราวนี้จะยอมแพ้ต่อโชคชะตาซะแล้วหรือ ดารินสึกสะอื้นวิปรโยคอยู่ครูใหญ่ตลอดเวลาพรานใหญ่พยายามพูดจาปลอบโยนต่อมาสติก็กลับคืนมาด้วยคำพูดของเขาหล่อนหักใจขมอารมณ์ยืดกายทรงตัวตรงขึ้นใบหน้านั้นขาวซีดราวกับศพดวงตาทั้งสองแดงช้ำไปด้วยรอยทุกข์เศร้าทอสายตามือไปยังภูมิประเทศที่น่าสะพึงกลัวรอบด้านอย่างใจลอยครั้นแล้วเินฝีปากแห้งผากคู่นั้นก็ปรากฏรอยยิ้มเสียวสลดแทนอาการพิราบล่ำ เป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์เสียงแผ่วๆช่ำช้าของเพื่อนผู้ร่วมสถานการณ์และเห็นกันอยู่เพียงสองชีวิตยามนี้แววลอยๆมาเปรียบเสมือนโอสดที่หยาดลงมาจันลงปลุกปลอบหวัวใจอันมืดดำของหลอนในขณะนี้แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อัยมาหล่อนพึมพำตอประโยคแล้วหันกลับมาสบตาเขาอีกครั้งกล้ากลืนความรู้สึกชนิดหนึ่งลงคออย่างยากเย็น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 พูดพยายามให้น้ำเสียงเรียบเป็นปกติอันเป็นตรงกันข้ามกับความรู้สึกแท้จริงภายในขณะนี้โัวอย่าเพิ่งคิดในด้านร้ายถึงเพียงนั้นยังไม่ได้เห็นชัดกับตาเราจะลงความเห็นได้อย่างไรว่าคุณชายคุณชายยันตลอดจนพวกเราคนอื่นๆเสียชีวิตไปหมดแล้วเมื่อเรายังรอดอยู่ได้ก็ควรจะหวังว่าคนอื่นก็น่าจะรอดได้เหมือนกันใช่แต่มันเป็นความหวังเพียงหนึ่งในพันเท่านั้นหล่อนเม้มริมฝีปากกลั้นน้ำตาที่กําลังจะพลัง้งพูออกมาอีก คุณจำภาพเหตุการณ์ตอนนั้นได้ไหมผมสารภาพว่าจำไม่ได้เลยมันสับสนชุลมุนไปหมดและพวกเรากระจัดกระจายกันออกชนิดตัวใครตัวมันไม่มีโอกาสจะมองเห็นหรือให้การช่วยเหลือกันได้เลยฉันก็เหมือนกันหล่อนพูดแถบเครือรู้สึกครั้งสุดท้ายได้ยินเสียงพี่ใหญ่ตะโกนบอกให้หลบแล้วมีใครคนหนึ่งผลักฉันวิ่งถลาไปเบื้องหน้าโดยแรงฉันวิ่งเปะปากไม่ได้ถึงอึดใจก็รู้สึกว่าเหยียบลงไปในอากาศว่างเปล่าจากนั้นก็หมดสติไป จอมพานนั่งทบทวนความทรงจําอยู่ aqui. ครู่ก็บอกว่าก่อนที่ช้างโผลงนั้นจะวิ่งตามพวกเราเข้ามาทันคุณหญิงสังเกตเห็นภูมิประเทศภายในถ้าที่พวกเราหญิตร เ, เลิดกันเข้าไปได้ถนัดหรือเปล่าหล่อนเอามือกลุ้มศีรษะหลับตาคิดแล้วพยักหน้าก็พอจะเห็นพ่ะจันร์จุดใต้2นําทางเข้าไปช่องทางภายในถ้ามันแยกแยะออกไปร อ, อ, อบด้านทีเดียวเป็นห้องเป็นครูหาเหมือนทางเดินเข้าเขาวงกตขบวนของเราเลือกทางเดินสายใหญ่ที่สุดหนีกันเข้ามา ถ้างั้นผมก็พอจะสันนิษฐานได้แล้วเมื่อนาทีวิกฤตมาถึงพวกเราคงกระจัดกระจายแยกกันไปตามเส้นทางอันแต่ละแยกแยะเหล่านั้นเองผมอยากจะเชื่อซะด้วยซ้ำว่าในถ้ำเต็มไปด้วยปล่องเหวพวกเราหนีกันอย่างจวนตัวแล้ววิ่งกันไปตามบุญตามกรรมมองไม่เห็นจึงอาจพัด ตกป่องเหวที่มีอยู่ทั่วไปหรือบางคนถ้าไม่ตกป่องก็คงจะตะลบิดเปิดเปิ่งไปในเส้นทางแนวขาววงกบนั้นมิฉะนั้นก็คงถูกช้ันเหยียบตายกันไปบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถจะรู้โชคชะตาของแต่ละคนเหล่านั้นได้อย่างน้อยที่สุดรู้กันแน่ๆก็คือผมกับคุณหญิงซึ่งตกอยู่ในลักษณะถูกธรณีสู่ภายใต้ป่องเหวก็มีลำธารใต้ดินหลายผาดใครที่ตกลงมาตรงลำธารก็คงถูกน้ํำซับไปตามบุญตามกรรมอย่างเช่นคุณหญิงเป็นต้น สรุปแล้วก็คือเหตุการณ์มันบีบบังคับให้พวกเราต้องกระจัดกระจายแยกกันหมดใครจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็สุดที่จะคาดทะเนได้ปัญหาสําคัญที่เราควรคิดก็คือขณะนี้เราอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุสักเท่าไหร่เมื่อสงบสติอารมณ์ลงได้แล้วอย่างมั่นคงดาวรินเริ่มใครค่ครวนเหตุการณ์ร่วมกับเขารัฐพินเอานิ้วคีบ ด, ดั้งจมูกหลับตา น, นิ่งไปอึดใจก็เหนยหน้าขึ้นยากเหลือเกินที่จะคํานวณได้ เขากล่าวอย่างหนักใจเท่าที่สังเกตดูทั้งผมและคุณหญิงไม่ได้พัดหลุดลงมาเป็นแนวเส้นตรงชนิดที่จะบอกถูกว่าบนปากเขวเหนือศีรษะเราขึ้นไปคือตำแหน่งเดิมที่เราพัดตกลงมาแต่เราคงจะกิ้งซิกซัก ก, กันมาหลายทอดทีเดียวอย่างที่สันนิษฐานแล้วเมื่อตะกี้คือมีลำธารหรือทางน้ำไหลยอยู่ซั ตามลำดับชั้นต่างๆกันในเหวใต้ภูเขานี้เราอาจพัดตกลงไปในลำธารชั้นแรกสลบไปต่อจากนั้นก็ถูกกระแสน้ําพัดให้เลยห่างจากที่เดิมและหลุดร่วงต่อไปยังลำธารสายอื่นอีกแบบเดียวกับท่อระบายน้ําหลายชั้นที่ซ้อนกันอยู่ทําให้ห่างพ้นตาแหน่งร่วงลงมาครั้งแรกสักเท่าใดก็ยังไม่ทราบแต่สําหรับทางด้านผมนั้นขณะที่พื้นครั้งแรกพยายามแง้มมองขึ้นไปยังข้างบนผมมองไม่เห็นอะไรเลยมันมืดมิดไปหมด ตัวผมเองก็คงถูกสายน้ำพัดหล่นเป็นทอดๆแบบเดียวกับคุณหญิงเหมือนกันทีนี้บังเอิญเหลือเกินที่คุณหญิงฟื้นรู้สึกตัวก่อนที่น้ำจะพัดต่อไปและเดินถลายลื่นมาตกปา ก, ปากโพรงบนหน้าผานั่นซึ่งไม่ห่างจากผมเท่าไรนะักเราร่วงเหวกันคนละป่องแต่วนเวียนมาอยู่ในรัศมีใกล้เคียงกันได้แล้วคุณคิดหวังเช่นไรบ้างสาหรับพวกเราอีก9้าชีวิตลองหลับตาวาดภาพเาซิลงใจแข็งพูดออกมาแทบไม่มีเสียง ก็อย่างที่ผมบอกแล้วนั่นแหละต่างคนต่างแผ่นกระจายเอาตัวรอดไปตามลำพังปองเหวมีอยู่ทั่วไปภายในถ้ำเล็กบ้างใหญ่บ้างบางคนอาจตกลงไปเหมือนเราบางคนก็คงซอกซอนหลงเะปะตะไปทางอื่นใครเคาะร้ายก็คงถูกช้้นเหยียบตายอยู่ข้างบน ส่วนคนที่พัดหล่นเหวก็สุดแต่บุญแต่กรรมอาจจะรอดเหมือนเราโดยตกลงไปอยู่ในที่ลึกล้าแห่งใดบ้างไม่ทราบและบ้างก็อาจจะหล่นไปแหลกเลว้วกระจายแยกย้ายกันไปหมดผมเชื่อว่านอกจากเราสองคนแล้วน่าจะมีใครรอดอยู่บ้างก็ได้แล้วช้างป่าพวกนั้นไม่พัดหล่นเหวมาอย่างเราบ้างหรือจอมพานสรนสีสะไม่หรอกครับ ช้างมันจะต้องรู้เส้นทางชำนาญดีอยู่แล้วว่าตรงไหนเป็นเทวตรงไหนผ่านไปได้เพราะเป็นถิ่นของมันพวกเราต่างหากที่วิ่งเปะตะกันเข้ามาอย่างคนตาบอดเพราะไม่รู้ภู ม, มิประเทศและมองไม่เห็นเพราะมืดทางอันสลับซับซ้อนในถ้ำนี้จะต้องเป็นแดนที่อาศัยผ่านเข้าออกของช้างและสัตว์ป่าแถบนี้สังเกตเห็นได้ชัดจากการที่มันมุ่งหนีไฟต่าตรงเข้ามานั่นแปลว่าหนทางรอดของมันอยู่ในนี้ความจริงพวกเราทุกคนจะอาศัยหลบไฟเข้ามาในถ้ำนี้ได้อย่างปลอดภัยที่สุดถ้าไม่ใช่เพราะถึงคราวเคาะร้าย โดยมีไอ้ช้างโขงนั้นแตกตื่นและไล่หลังเข้ามาด้วยมันไม่ได้เจตนาจะมาทําร้ายหรือเป็นภัยอย่างไรต่อเราแต่เป็นเรื่องของเหตุการณ์บีบบังคับขณะที่ผมพยายามยิงไล่ให้มันเบนทิศซ่าซากกองทับถมกันอยู่หน้าปากถ้ามันยังไม่ยอมหยุดตะลุยเข้าศพของพวกมันเองเข้ามาด้วยความตื่นกลัวไฟส่วนเราถ้าไม่เลือกหนีเข้าถ้านั้นก็ตายเพราะถูกไฟคลอกเหมือนกันหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้จึงควรเป็นภาวเคระหของพวกเราจริงๆ กับจบเขาก็แงนหน้าขึ้นไปยังยอดผาเบื้องบนอันสูงเรียวยานเยี่ยมฟ้าแทบจะ ก, กําหนดระยะไม่ได้ว่ามันสูงขึ้นไปสักเท่าไหร่และไม่ผิดอะไรกับกําแพงกั้นจั ก, กรวาลที่บีบขนาบไว้ทั้งสองด้านโดยเว้นว่างให้เป็นช่องแยกไว้แคบระยะจากผนังผาทั้งสองด้านห่างกันเพียงไม่เกิน20เมตรแสงสว่างจากโลกเบื้องบนสาดลอดลุกมาจากรอยแยกของคุณเขามาคือมาตําแหน่งนี้เองลักษณะของมันไม่ผิดอะไรกับมีดมหายักษ์มากรีดผาแบ่งแยก ทิวเขาใหญ่ทั้งลูกให้ขาดออกจากกันโดยมีตัวเขากับน้องสาวของนายจ้างติดอยู่ใจกลางอันเป็นส่วนที่ลึกล้ําที่สุดของรอยผานี้โดยไม่ได้กล่าวอะไรแก่กันทั้งสองผลลุกขึ้นยืนอีกครั้งเดินออกจากเพิงชะ ง, งอนที่นั่งอยู่มาหยุดยืนงานคอตั้งบ่าพิจารณายอดเขาลิบลิบสุดสายตาขึ้นไปเบื้องบนท่ามกลางแสงอันขมุกขมัวโดยมีใ ย, ยของแมงมุมยักกั้นเป็นตะข่ายไว้หลายชั้นต่างนิ่งเงียบกันไปนานแล้วในที่สุดก็หันมา พบตาของกันและการอีกครั้งด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะบอกถูกและพิมพ์ก้มลงหยิบไรเฟริลเวเทอร์บีของหญิงสาวที่ยังตกอยู่กับพื้นส่งคืนไปให้เจ้าของดารินรับมันไปอย่างหมดอะไรตายอย่ายิ้มเศร้ามันเห็นจะไม่มีประโยชน์หรือช่วยอะไรเราได้อีกแล้วในภาวะเช่นนี้ พูดอะไรอย่างนั้นครับมันมีความสำคัญเท่ากับเหงวใจที่ยังเต้นอยู่ของเราในขณะนี้เราหมดลมหายใจแล้วเมื่อไหร่นั่นแหละมันจึงจะไม่มีค่าอีกต่อไปแต่สำหรับผมรับรองได้ว่าต่อให้ขาดใจตายไรเฟิล ก, ก็ยังติดแน่นอยู่ในมือเสมอแล้วหล่อนก็แลเห็นรอยยิ้มที่จับสายตาขึ้นบนใบหน้าของจอมพานประกายตาสีเหล็กคู่นั้นฉายแสงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเป็นไปด้วยสัญชาตญาณสู้หยิบตา ถึงเราจะโชคร้ายยังไรสวรรค์ก็ยังไม่ทอดทิ้งเกินไปนะักไม่เห็นหรือครับอุตสาหประทานปืนคู่มือและย่ามปิดหลังมาให้เราครบเพื่อเปิดโอกาสให้เราดิ้นรนต่อสู้ในการเอาชีวิตรอด ทั้งเครื่องหลังและไลเฟอร์มันน่าจะกระเด็นหลุดแยกจากตัวเราไปคนละทิศคนละทางทีเดียวขณะที่พัดหลุดเหวลงมาแต่มันก็ยังอยู่ใกล้เคียงเราจนได้และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามเดิมทุกอย่างสิ่งที่ยังโชคดีอีกชนิดหนึ่งก็คือถึงแม้จะมีใครเป็นตายร้ายดีแยกย้ายกันไปตกอยู่อีกคนหนึ่งไม่ถึงกับโดดเดี่ยวตัวคนเดียวฉันกับคุณไม่รู้ทำบาปอะไรร่วมกันมานะในภาวะคับขันเลวร้ายขีดสุด บังเอิญต้องให้มาเห็นหน้ากันอยู่เพียงสองคนแค่นี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้ ว, วเสียงนั้นเหมือนรำพึงพร้อมกับสายหน้าอย่างเศร้าใจก็คงบาปเพราะตอนที่สุขสบายดีๆอยู่ทะเลาะกันให้เจ้าป่าลำคาญมาตลอดเวลาเลยบันดาลให้มาตกทุกข์ได้ยากด้วยกันอย่างนี้ซะให้เข็ดกระมังและมันก็คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว อย่าเพิ่งทอ้อถอยทอดอะไรนั่นเวลาเท่าไหร่แล้วดารินเวาลาฤตยกข้อมือดูนาฬิกาเดินปากของหล่อนแล้วขมวดคิ้วแงนขึ้นไปมองแสงสลัวสว่างเบื้องบนอีกครั้งปาดก็บอกว่าบ่ายสีโมงพอดีรัพพินสะบิดเข้ากับความพิสวงในฉับพันนั้นร้องถามเสียงสูงเร็วปือมาว่าเท่าไหร่นะ 16.00 นนอ จอมพานเบิกตากว้างอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างประหลาดใจสุดขีดมันจะเป็นไปได้อย่างไรเขาร้องพร้อมกับคว้าข้อมือของหล่อนไปดูเวลาโดยเร็วนาฬิกาเดินป่าชั้นดีของราชสกุลสาวหาได้ตายหรือเครื่องหยุดทํางานอย่างที่เขาสงสัยไห่และเห็นได้ถนัดว่าเข็มวินาทียังกระดิกอยู่ติ๊กๆและท่ามกลางความเงียบสงัดเช่นนี้เขาได้ยินเสียงลานอัตโนมัติเดินอยู่เป็นจังหวะพรานใหญ่งงไปหมดทําไมคุณคิดว่าเวลามันผิดไปหรอ แปลกจริงมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเท่าที่ผมจําได้ตอนที่เราหนีโขงช้างเข้ามาในถ้ำหรืออีกนายหนึ่งขณะที่เกิดเหตุนั่นเองมันเป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วนี่เพิ่งจะสี่โมงเท่านั้นเองหรือแปลว่ามันห่างจากเวลาเกิดเหตุเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นแต่ผมว่ามันต้องนานกว่านั้นหญิงสาวจ้องหน้าชักเอะใจขึ้นมาบ้างดูนาฬิกายอย่างพิจารณาอีกครั้งแล้วหล่อนก็ร้องลั่นออกมาอย่างตกใจคุณพระช่วยนี่มันคนละวันกันแล้วละ่ละลพินดูสิ นี่มันเป็นวันที่15แต่วันเกิดเหตุมันเป็นวันที่14ก็คือเมื่อวานนี้มันห่างมาถึง24ชั่วโมงแล้วจอมพานแยกเกลียวหลีตายยิบหยีลงสุดกายลงไปนั่งบนแง่ก้อนหินเอาขานท้ายหลฟ์เฟิลยันพื้นไว้ดาวเรนก็ทิ้งกายลงไปยังก้อนหินอีกลูกหนึ่งตรงข้ามวางแขนลงกับข่าเท้าคางสิ้นอะไราตาย่าง ในที่สุดเขาก็ควักกระเป๋าเสื้อหากล่องบุหรี่หยิบขึ้นมาค้าบไว้ตัวหนึ่งพ่านยื่นส่งกล่องบุหรี่ให้หญิงสาวแล้วจุดไลเตอร์ขึ้นผัดกันต่อบุหรี่ของรับผินปลอดภัยเรียบร้อยตามเคยเพราะมันบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกที่ผนึกแน่นกันได้ทั้งน้ําและเหงื่อภายหลังจากอัดควันอยู่ครู่ดารินก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าช่ำชื่นขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามต่างคนยังเงียบเงนันเหมือนจะตันความคิดไปหมดมนึกแล้วในที่สุดพานใหญ่เป็นฝ่ายทาลายความเงียบขึ้นก่อน สงสัยว่าทําไมฟื้นขึ้นมายังพอจะมองเห็นลําแสงมันแปลว่าจะต้องเป็นเวลากลางวันซึ่งผิดจากความจริงไปมากผมเชื่อแน่ว่าผมสลบไปนานอย่างน้อยก็นานพอที่จะต้องล่วงเลยไปถึงค่ําในวันเดียวกับที่เกิดเหตุแล้วทําไมฟื้นขึ้นมายังเห็นแสงอยู่อีกที่แท้มันกลายมาเป็นอีกวันหนึ่งนี่แปลว่าเราสลบไปวันเต็มๆทีเดียวฉันเพิ่งจะนึกออกเดี๋ยวนี้เองตอนที่เรายิงแมงมุมยักษ์นั่นเสียงปืนมันดังลั่นไปหมด ถ้าพวกเรายังมีชีวิตรอดอยู่ได้และอยู่ในรัศมีใกล้เคียงเขาจะต้องได้ยินเสียงปืนของเราและคงยิงต่อมาให้รู้แล้วนี่มันเงียบเหลือเกินเสียงหล่อนเคลือลงไปอีกว่าแต่เราจะทำยังไงต่อไปดีก่อนอื่นเราจะต้องหาทางออกไปให้พ้นจากก้นบาดาลนี่เขาตอบอย่างมั่นคงพร้อมกับลุกขึ้นยืนอีกครั้งแนหน้ามองขึ้นไปเบื้องบนอันสูงสุดสายตาโดยวิธีไหนปีนหน้าผาอันสูงชันลิบลินี่ขึ้นไปนะหรือ หิ่งสาวถามแผ่วเบาคงจะไม่ใช่วิธีนั้นแน่แต่ว่าปีนเลยต่อให้มีปีกเราก็ไม่สามารถจะบินผ่านสายใหญ่ไอ้แมงมุมยักษ์ที่ขวางอยู่เป็นตะข่ายมรณะนั่นขึ้นไปได้ ฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันถึงไม่มีใ ย, ยแมงมุมบักขวางดักมันก็สุดความสามารถที่เราจะปีนขึ้นไปได้เพราะมันชันเป็นเส้นตั้งฉากไม่มีอะไรจะยึดเหนี่ยวได้เลยยิ่งกว่านั้นยังสูญซี่จนมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเมฆลักษณะช่องเขานี่แปลกเหลือเกินทำไมมันถึงเป็นรอยแยกผาลึกอย่างนี้นะแล้วก็แคบนิดเดียวเท่านั้น ก่อนนี้คงจะเป็นทิวเขาลูกเดียวกันประสานสนิทอาจจะเป็นเพราะแผ่นดินไหวเลยแยกส่วนกันออกเป็นสองซีกเหมือนมีอะไรมาผ่าไว้ลักษณะเหมือนเราเอามีดที่ตัดเค้กแท่งยาวให้ขาดจากกันแล้วยกมือออกโดยไม่ได้หยิบชิ้นใดชิ้นหนึ่งแยกห่างออกไปนั่นเองแล้วจะทำยังไงหล่อนยื่นคำถามมาอีกอย่างหนึ่งอย่างมืดมนไปหมด ทว่าบนความสิ้นหวังทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมีความอบอุ่นใจอยู่บ้างอย่างน้อยที่สุดหล่อนก็ไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายกาตอนนี้ตามลําพังคนเดียวยังมีเขาด้วยอีกคนหนึ่งรับพิมพ์ภัยวันเจ้าป่าคนนี้โดยแท้ที่จริงแล้วจะตกอยู่ในดงพงภัยอันลึกล้ํากันดานจากเพียงไหนหล่อนไม่เคยหวาดหวัน่นพันเพิงเลยขออย่างเดียวให้มองเห็นหน้าชายผู้เปรียบเสมือนหลักประกรันเกาะป้องกันภัยผู้นี้เท่านั้น แต่ความทุกข์หนักกัดกุ้มที่สุดในขณะนี้มันไปอยู่ที่จิตอันหนักหน่วงกังวลต่อพี่และเพื่อนและผู้ร่วมคณะคนอื่นๆซึ่งหล่อนเชื่อว่าคงตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายมากกว่าดีหล่อนจะมีโอกาสได้พบหน้าพี่ใหญ่ชยันเมและผู้ร่วมคณะอื่นๆหรือไม่คิดแล้วก็แทบจะหมดกำลังวางชาทรงตัวอยู่ได้เขาจะคิดอย่างไรหล่อนอ่านหัวใจกระด้างเป็นหินดวงนี้ไม่ออกเห็นเขาหน้าดำเกรียมดูยากอยู่ตามเดิมขณะนี้กำลังกวาดสายตาไปรอบๆ เดี๋ยวมันต้องมีทางใดทางหนึ่งถึงอย่างไรเราก็จะต้องหาทางออกไปจากตรงนี้ให้ได้ก่อนมืดสนิทส่วนจะออกไปโผที่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึง่งนอนก้นเหวนี่ไม่ได้แน่เพราะถ้ามืดลงใครจะบอกได้ว่าไอ้ยักษ์ที่ชักใหญ่อยู่ข้างบนนั้นจะไม่ย่องลงมาเล่นงานเรานอกจากแมงมุมเหล่านั้นแล้วยังไม่รู้ว่าจะมีอันตรายอะไรที่ยังมองไม่เห็นอีกแต่ที่แน่ๆก็คือหนาวตายก่อนที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง แล้วก็จ้องไปยังลำธารที่ไหลผ่านหินพลิกๆออกมาจากใต้ซอกผาฝั่งหนึ่งหายเข้าไปยังใต้ผาอีกฝั่งหนึ่งเป็นช่องอุโมงค์มืดสูงจากระดับสายน้ําไหลขึ้นมาประมาณเมตรเดียวส่วนกว้างประมาณ3ามวาเศษลําธารสายประหลาดนี้ดูลี้ลับสายนั้นห่างจากพื้นหินที่ทั้งสองยืนอยู่ออกไปเล็กน้อย สายน้ำสีขาวค่อนข้างขุ่นเป็นตะกอนแสดงว่าตลอดเวลามันไหลซสาะผ่านใต้แผ่นดินและเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งดารวินเหมือนจะทันในความคิดจ้องหน้าเขม็งกระซิบคุณคิดว่ามันจะไหลออกไปที่ไหนใครจะบอกได้ว่าที่ไหนแต่มันก็ต้องออกไปที่ใดที่หนึ่งแน่ตามหลักของการไหลของกระแสน้ำมันผ่านเข้าไปใต้ภูเขาทั้งลูก ผลทางลึกล้ำสักขนาดไหนก็ยังไม่รู้ได้และข้างในจะมีอะไรบ้างระดับน้ำจะลึกหรือตื้นแค่ไหนเชี่ยวหรือช้าอย่างใดเสียงของหล่อนสะท้านแหบหายไปใ น, ในลำคอแต่อีกฝ่ายหนึ่งยิ้มกนก้าน นั่นไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาเฉพาะหน้านั้นมันมีอยู่ที่ว่าถ้าขืนรอช้าอยู่ที่นี่ต่อไปเราตายเปิดตัดสินใจเสียเดี๋ยวนี้จะตายที่นี่หรือจะตายดับหน้าถ้าอยู่อยู่ด้วยกันถ้าไปก็ไปด้วยกันชีวิตของเราประเมินไม่ได้เสแล้วสำหรับเดี๋ ynn ี้ไม่มีอะไรเสี่ยงไปกว่าที่เราเสี่ยงกันมาแล้วไม่มีอะไรหนักหนามากไปกว่าที่เราเผชิญกันมาแล้ว ดารินบาราริปยืนนิ่งอยู่กับที่ขณะจิตหนึ่งแล้วผ่านนำทางก็แลเห็นริมฝีปากอันซีเซียวคู่นั้นยิ้มตอบเป็นรอยยิ้มที่ไม่แยแสกับอะไรอีกแล้วตลอดทั้งโลกนี้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองตกลงไปก็ไป